วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สกันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ทําำฝ่ายกุศลได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างปัญญา สร้างความรู้สร้างความฉลาดเพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ความฉลาดนี้ไปบำบัดทุกข์บำบังสุขให้แก่ร่างกายและจิตใจของพวกเราทุกคนชีวิตของพวกเรานี้สามารถอยู่กันได้อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ มาลบเล้ามาลบกวนใจถ้าเรามีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจะมีความร่มเยืนเป็นสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ <c oughs> เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟัง อยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเรานี่เองเพราะว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้ต้องมีร่างกายและมีจิตใจถึงจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่กันได้ในตอนนี้และการที่ร่างกายและจิตใจของพวกเรานี้ จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องสนับสนุนเครื่องสนับสนุนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่อย่างสุขเยยวอย่างสบายปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็ต้องมีเครื่องสนับสนุน จิตใจก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนถึงจะทำให้จิตใจและร่างกายอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายสิ่งที่จะสนับสนุนร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่จาเป็น ต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขถ้าขาดปัจถ้าขาดปัจจสี่อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายได้พวกเราทุกคนจึงต้องหาปัจจสี่มาเรี่องดูร่างกายกันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องอยู่มาตั้งแต่วันเกิดเลยก็ว่าได้ ช่วงที่เราเกิดมาใหม่ๆเราก็อาศัยปัจจัยสี่ของพ่อแม่มาเลี้ยงดูเราไปก่อนเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กทารกเรายัางไม่มีความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่ของเราเองได้เราก็ต้องอาศัยของพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ไปก่อนพ่อแม่มีพระคุณกับพวกเรามากก็เพราะว่าท่านมีปัจจัยสี่ให้เรา ไว้เลี้ยงดูร่างกายของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ยากลำบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอเราโตขึ้นมาเราสามารถที่จะหาปัจจัยสี่ของเราได้เองแล้วเราก็ต้องไปหาปัจจัยสี่ของเราเองกันเพราะเราจะรบกวนพ่อแม่ไปตลอดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ พ่อพ่อแม่ก็จะต้องเข้าสู่วัยของผู้ชราแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต่อไปก็จะต้องตายจากพวกเราไปพวกเราก็อาศัยพ่อแม่ไม่ได้ไปตลอดและพ่อแม่อาจจะต้องกลับมาอาศัยเราอีกต่อไปเวลาที่ท่านชราภาพหรือท่านต ก, กับ ไม่มีปัจจัยสี่เลี้ยงดูก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกๆที่จะต้องทําหน้าที่ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาหาปัจจัยสี่ให้ท่านอยู่เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กอยู่กับท่านท่านก็หาปัจจัยสี่ให้กับพวกเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่กับลูกและลูกกับพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะมาปฏิเสธได้จะมาว่าทวงบุญคุณนี่ก็ไม่ถูกมันเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้และต้องคำนึงคือเรื่องของความกระตันยูความรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณเพราะถ้าไม่รู้บุญคุณก็จะเป็นอกตันยูคือไม่ ตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ที่มีพระคุณหรือร้ายกับ น, นั่นก็อาจจะเป็นการเนรคุณเลยก็ได้เนรคุณก็คือไม่ตอบแทนบุญคุณแล้วยังไปทำร้ายผู้มีพระคุณด้วยสาเหตุของการที่มีความอากาติอยู่หรือมีเนรคุณก็เพราะเกิดจากความไม่รู้บุญคุณของพ่อของแม่นี่เอง หรือของผู้มีพระคุณทั้งหลายว่าเขามีพระคุณกับเราช่วยเหลือเราให้ชีวิตของเรานี้ดำรงต่อไปได้อย่างราบรื่นงนั้นถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่รู้จักผิดถูกดีชั่วก็จำเป็นจะต้องมีความกตัญญูต้องรู้คุณของบิดามารดาของผู้มีพระคุณทั้งหลาย และก็กระตะเวทีคือทดแทนบุญคุณให้กับท่านที่มีพระคุณเมื่อถึงเวลาอันควรไม่จำเป็นจะต้องทดแทนทันทีทังไดแต่เมื่อถึงเวลาอันควรเวลาที่ผู้มีพระคุณต้องการความช่วยเหลืออันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบเข้าไปทำทันทีถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะทำได้ อย่าดูได้กับบุคคลที่มีพระคุณกับเราจะเป็นการเป็นอกคตันอยู่ไปยังไม่ถึงขั้นเนรคุณเนรคุณนี้หมายถึงขั้นทำร้ายผู้มีพระคุณทำร้ายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำร้ายทางร่างกายทำร้ายทางจิตใจด้วยวาจานี่ก็เป็นการทำร้ายผู้มีพระคุณแล้วพูดจาไม่สุภาพไม่เคารพ หรือถึงถึงขั้นกับด่าว่านินทาตำหนิตีเตียนผู้มีพระคุณอย่างนี้ก็ถือว่ายเข้าข่ายของการเป็นการเลระคุณได้แล้วเพราะจะทําให้ผู้มีพระคุณนั้นเศร้าโศกเสียใจเสียใจมากโดยเฉพาะคนที่ท่านเลี้ยงดูมาให้อุปการอุปถมัมเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วจะต้องมาเจอกับ ความประพฤติที่ที่ไม่ดีต่อท่านนี่คือพูดถึงเรื่องของปัจจัยสี่ของทางร่างกายที่พวกเราทุกคนนี้จาเป็นจะต้องหามาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราทุกคนถ้าอยากจะให้ร่างกายของพวกเรานี้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเราต้องหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ปัจจัยสี่นี้ในตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นของแพงๆของแบรนด์เนมของหรูหราอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความหลงคิดว่าการใช้ปัจจัยสี่ แบบแพงๆ แ, แบบหรูหราจะทำให้ร่างกายมีความสุขมากขึ้นอันนี้ไม่ได้ทำอะไรให้ความสุขให้แก่ร่างกายมากขึ้นแต่อย่างใด ร, รับประทานอาหารข้างถนนรับประทานอาหารในโรงแรมรับประทานอาหารในพัตถาหารที่มีที่มีดาวสี่ห้าดวง รับประทานแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันก็คือความอิ่มทางร่างกายร่างกายก็ได้รับอาหารเพื่อประทังชีพเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองยังไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาให้กับการหาปัจจัยสี่เกินความจำเป็นทางศาสนาพุทธท่านมักจะเน้นสอนเรื่องความมักน้อยสันโดษ ขอให้เรามีความมักน้อยใช้เท่าที่จำเป็นมีอาหารก็อาหารที่สามารถทำหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ก็พอไม่ต้องรหรูหราไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมไม่ต้องไปรับประทานอาหารตามพัตการที่มีชื่อมีเสียงอะไรต่างๆเพราะผลที่เกิดจากการรับประทานนี้เหมือนกัน รับประทานอาหารข้างถนนรับประทานอาหารในโรงแรมร่างกายได้ผลเหมือนกันคือได้ความอิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองให้มากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าคือเงินทองและเวลาที่เราเอาไปใช้กับการหาเงินหาทอง อย่าไปเสียเวลามากกับการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพราะเรายังต้อง<ม>หาเวลามาหาปัจจัยสีให้กับอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราก็คือจิตใจก็จาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายเหมือนกันอันนี้พูดถึงเรื่องของการหาอาหารให้กับร่างกาย ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากเกินความจำเป็นอาหารอะไรที่รับประทานแล้วไม่ปวดท้องไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด่วยสามารถดับความหิวทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้นีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือความหมายของคาว่ามักน้อยค า, ามาักน้อยก็คือให้เอาสิ่งที่สามารถทำหน้าที่ ของเขาได้อาหารมีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ดับความหิวของร่างกายมีหน้าที่ส่งเสริมอายุชีวิตของร่างกายให้ดำรงต่อไปได้เราก็เอาเท่านั้นก็พออย่าไปเสียเงินเสียทางเสียเวลามากเกินไปเครื่งนุงห่ม ก, ก็เช่นเดียวกันไม่จาเป็นจะต้องมีมากเป็นสายเป็นตู้ พอเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็ใส่ชุดเดียวเท่านั้นเองเราไม่ได้ใส่หลายชุดทีเดียวพร้อมๆกันเราใส่เสื้อตัวหนึ่งเรากางเกงหรือกระโปรงแล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งเท่านี้นเองก็เป็นเสื้อผ้าพรที่สําหรับทําหน้าที่ดูแลร่างกายได้แล้วหน้าที่ของเสื้อผ้าพรก็มีไว้เพื่อปกปิด อวัยวะต่างๆของร่างกายที่ไม่ควรจะเปิดเผย 2. เพื่อป้องกันความหนาวเย็นของอากาศที่อาจจะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ 3. ป้องกันจากพิษภัยอื่นๆเช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือไปถูกของแหลมของคมขูดหรืออะไรขึ้นมาถ้ามีเสื้อผ้าก็อาจจะกันไว้ได้ชั้นหนึ่งก่อน นล้นี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดหรือไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านแบรนด์เนมมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันไม่มีความวิเศษต่างกันหรอกอย่าไปหลงกับไอ้ยี่ห้อโลโก้ที่เขาปะไว้ในเสื้อผ้าในของเหล่านั้นมันเป็นของหลอกใจคนโง่ถ้าคนโง่จะชอบของพวกนี้จะคิดว่ามีของพวกนี้ใช้แล้ว ตัวเองจะกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาตามจริงมันเป็นความหลงความโง่แง่เบาปัญญาของผู้ใช้ของต่างๆไม่ได้มองไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลของการใช้ของเหล่านั้นว่าใช้เพื่ออะไรพระเจ้าสอนพระทุกครั้งที่จะใช้บริโภคปัจจัยสี่ให้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสเกิดให้พิจารณาถึงสาเหตุของการใช้ของเหล่านี้ ว่ามีประโยชน์อย่างไรอาหารก็ให้พิจารณาว่าไว้สำหรับดับความหิวไว้สำหรับป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็รักษาร่างกายให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปเสื้อผ้าไว้ป้องกันภัยต่างๆท่านสอนพระทุกครั้งที่บริโภคปัจจัยสี่นี้ให้พิจารณาอย่างรอบครอบถึงเผดของผล เหตุผลของการใช้ปัจจัยสี่จะได้อยู่แบบมากน้อยสันโดษได้พระพุทธเจ้าสอนพระให้มีในรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อก็พอชันมื้อเดียวแล้วก็อาหารก็ให้ไปบิณฑบาตไม่ให้ไปเลือกอาหารสั่งอาหารว่าอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เหมือนกันอาหารพอเข้าไปในท้องแล้วท้องมันไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร จะเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารจีนอาหารแขกเข้าไปในท้องมันก็มันก็เริ่มทําหน้าที่ย่อยอาหารเหล่านั้นเพื่อจะได้เอาสูตเอาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองฉะนั้นร่างกายมันไม่รู้หรอกว่ามันกินอาหารชนิดไหนมันไม่รู้ว่ามันใส่เสื้อผ้าชนิดไหนมีราคาแพงขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนผู้รู้คือใจนี่แหละเป็นตัว ปัญหาใจไม่ได้เป็นคนใส่เสื้อผ้าไม่ได้กินอาหารแต่กลับไปจูจจ้จี้จุกจิกไปบ้ากับอาหารชนิดต่างๆไปบ้ากับเสื้อผ้าอภรรชนิดต่างๆไปบ้ากับที่อยู่อาศัยชนิดต่างๆไปบ้ากับการรักษาโรคภัยต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีโรงพยาบาลเอกชนทําไมต้องมีโร ง, งพยาบาลรัฐบาลในเมื่อมันก็รักษา โรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันอาจจะต่างกันที่ความหรูหราเท่านั้นเองความหรูหราการมีคนต้อนรับมีอัตยาศัยมีความนอบนอบ้อมต่างกับโรงพยาบาลของรัฐบาลอาจจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็หมอชนิดเดียวกันหมอคนเดียวกันแบางทีทําทั้ทงสองแห่ง ทำที่โรงพยาบาลรัดแล้วก็เวลาว่างก็ไปทำที่โรงพยาบาลเอ ก, กชน ย, ยาก็ย า, ยาชนิดเดียวกันนะั่นแหละยานีหน้าที่รักษาโรคภายไค้เจ็บได้เหมือนกันได้รับรองมาตรฐานจาก อ, อยอเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแต่ใจผู้โง่เง่าเบาปัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลงถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะหลงกับความฟึ่งเฟือเหอเหิมหลงกับการใช้ของแพงๆใช้ของหรูหราต่างๆที่ทาประโยชน์เท่ากับของธรรมดาธรรมดาดีๆนี่เองใจนี่เป็นตัวปัญหาถ้าใจไม่ได้เข้าหาธรรมะแล้วก็จะรุ่มหลงแล้วจะต้องถูกความรุ่มหลงนี้หลอกให้ไปเครียดกับการหาเงินหาทอง แล้วก็เครียดกับการใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนี่คือสิ่งที่พทธเจ้าทรงสอนพระให้หมันพิจารณาอยู่เนืองๆทุกครั้งที่ใช้ปัจจัยสี่ตัวอย่างของธรรมะหรือว่าของความมากน้อยสันโดษนี้อยู่ที่คำสอนของพทธเจ้าที่สอนให้พระภิกษุนี่แหละอาหารก็ให้กินตามมีตามเกิด ใบบินธบาตแล้วแต่ผู้มีศรัทธาเขาจะให้กินอะไรก็รับมาแล้วก็รับประทานไม่ให้มากเกินไปให้รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวก็พออาหารนี้มื้อเดียวนี้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปแยกมันออกเป็นชนิดต่าง มีจานภาชนะหลายใบยไว้แยกอาหารอาหารข้าวอาหารหวานอาหารขนมนมเนยอะไรต่างๆท่านบอกว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพราะพระจะต้องเป็นผู้ล้างภาชนะเองถ้ามีภาชนะหลายใบยก็ต้องเสียเวลากับการชำระทำความสะอาดภาชนะต่างๆพระนี่ท่านพระเจ้าบอกว่าเอาภาชนะใบเดียวพอคือบาท เาบาเป็นที่ใส่อาหารแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนด้วยถ้าให้ใช้มือมือนี่แหละเป็นช้อนที่ดีวิเศษที่สุดสําหรับพระผู้มากน้อยสันโดษญาตโยมอาจจะสังเกตเห็นพระบาบบางรูปท่านไม่ใช้ช้อนกันเวลาท่านฉันชั้นชนจะใช้มือเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปล้างช้อนไม่ต้องไปรักษาช้อนเก็บช้อนอีกมีภาชนะใบเดียวที่ต้องดูแลรักษาก็คือบาบกับฝาบาบเท่า น, นั้นเอง นี่คือความมากน้อยสันโดษในเรื่องของการรับประทานอาหารญาติโยมก็สามารถน้อมเอาไปปรับให้ใช้กับญาติโยมได้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อความมากน้อยสันโดษแทนที่จะมีบาตรก็เอาชาใบใหญ่ๆหรือกะละมังสักใบหนึ่งแล้วก็เอาอาหารต่างๆมาใส่ไปในกะละมังนีนแหละแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนก็ได้ใช้มือนี่นแหละ มือก็ล้างให้สะอาดก่อนมือก็ต้องสะอาดเหามือกับช้อนไม่ต่างกันหรอกไม่ไม่ทำให้ติดเชือ้อติดอะไรเพราะมือเราก็ต้องหยิบใช้ช้อนหยิบช้อนอีกทีช้อนมันก็มันก็ติดกับมือถ้าถ้ามันถ้ามันจะมีเชือ้อมันก็มันก็ถ่ายทอดไปสู่ช้อนได้อยู่ดนะีอันนี้คือความเรียบง่ายในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ ทำไมต้องเรียบง่ายเพราะเราไม่ต้องการจะเสียเวลามากเกินไปให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะมีสิ่งที่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเลี้ยงดูคือจิตใจอันนี้เดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวพูดเรื่องปัจจัยสี่ทางร่างกายต่ออีกหน่อยเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยของพระก็อยู่ตามมีตามเกิดถ้ามีกุตอยู่ก็อยู่ถ้าไม่มีก็กางกรดอยู่ใต้โคนไม้ก็ได้ หรือทำแค่เล็กๆก็ได้ทำอะไรที่เรียบง่ายไม่ให้ยึดจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยกังวลพระปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะเป็นพระที่ไม่ชอบอยู่กับที่นานๆเพราะอยู่แล้วมันจะทำให้เกิดความชินชาจะทำให้การปฏิบัตินี้ไม่ลุกขึ้นพราะมันพอไม่มีอะไรมากระตุ้นให้จิตต้องเจริญปัญญาเจริญสติให้มากขึ้น Mountain, case, <TR แต่เวลาเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆเวลาไปอยู่ที่ใหม่นี้สติจะต้องมาก่อนนะจะต้องมีความระมัดระวังคอยดูแลสิ่งต่างๆรอบตัวตนเองก็จะเป็นการบังคับให้มีสติเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วพอมันเริ่มเคยชินกับสถานที่แล้วสติที่เคยมีก็มันก็จะค่อยๆอ่อนลงไปพอท่านเห็นว่าไม่ได้ท่าแล้วเข้าสมาธิไม่ค่อยได้ดีแล้วไม่ง่ายแล้ว ท่านก็อาจจะย้ายที่ไปหาที่อยู่ต่อไปอยู่อยน้นที่อยู่อาศัยของพระบางน้อยสันโดษนี้จึงเป็นของที่ทําขึ้นมาง่ายๆแล้วเมื่อถึงเวลาก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปขอให้มันเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ป้องกันภัยต่างๆได้ก็พอไม่ต้องมีคอนโดร้อยล้านห้าร้อยล้านอยู่หรอก บ้านห้าร้อยล้านกับบ้านเช่าเดือนละห้าพันมันก็เป็นบ้านไว้หลับแดดหลบผลได้เหมือนกันเวลาหลับนี่เชื่อไหมไม่รู้ว่านอนในที่ไหนหรอกเวลาหลับนี่ไม่รู้ว่านอนในบ้านห้าร้อยล้านหรือนอนในห้องเช่าห้าพันบาทต่อเดือนเวลาหลับแล้วมันหลับมันไม่รู้เรื่องแล้วก็หลับง่ายด้วยคนที่หลับในบ้านเช่านี่สับหลับสบายไม่มีอะไรต้องมาห่วงมากังวล มีแค่ค่าเช่าห้าพันที่ต้องห่วงแต่คนที่อยู่บ้านห้าร้อยล้านเนี่ยอาจจะกังวลถึงเรื่องเงินผ่อนที่ต้องผ่อนบ้านก็ได้บางทีดีไม่ดีนอนไม่หลับซะอีกแล้วบ้านใหญ่มีของราคาแพงๆก็หวาดกลัวกับโจรผู้ร้ายต่างๆการที่อยู่หลับสบายกับจะต้องมาวุ่นวายกับระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเสียมากมายถ้าอยู่แบบหรูหราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่แบบมักน้อยสันโดษก็อยู่ตามมีตามเกิดไปตายไปเข้าไปไม่ได้บ้านจะต้องมีบ้านหรูหราไว้ทําอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้บ้านกันใช่ัหมเช้าก็ออกนอกบ้านไปแนละ้วที่ให้คนใช้อยู่คนใช้จัดปาร์ตี้ที่บ้านนี้เจ้านายก็ไม่รู้ใช่ไหม พอรู้ว่าเจ้านายเวลาไหนาจะกลับมาเนี่ยตอนที่เจ้านายไม่อยู่อาจจะเชิญเพื่อนฝูงมาจัดงานปาร์ตี้ในบ้านไอ้กูมีบ้านห้าร้อยล้านเว้ยมามากินมาเล่นกับกูพอถึงเวลาเจ้านายใกล้จะกลับก็เลิกปาร์ตี้กันไปเจ้านายกลับมาบ้านก็อ่อนเพลียกินข้าวอาบ น, น้ําเสร็จก็นอนไม่ได้ใช้บ้านห้าร้อยล้านอะไรมากมายนะตื่นเช้าก็รีบออกไป ต้องไร้ออกไปหาเงินมาจ่ายค่าบ้านห้ารยล้านนี่สร้างบ้านส่วนใหญ่เขาว่าสร้างเศรษฐีสร้างบ้านให้คนใช้อยู่ใครใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่ากันเศรษฐีอยู่บ้านวันละกี่ชั่วโมงคนใช้อยู่บ้านวันละกี่ชั่วโมงคนใช้นี่อยู่เกือบย4บสี่ชั่วโมงเลยต่อวันเศรษฐีนี่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านอย่างมากก็8ดชั่วโมงสิบชั่วโมงมาพักผ่อนหลับนอน พอตือนปั๊บก็ไปแล้วออกไปหาเงินเพื่อจะมาจ่ายค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนให้คนใช้อยู่โดยไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เรื่องของความหลงความโง่ของคนที่ไม่มีธรรมะคนพวกนี้จะรับประกันได้ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมข อ, ของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักความหมายของคำ ว, ว่ามากน้อยสันโดษว่าเป็นยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้าน ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนมีห้องพิเศษเป็นเหมือนโรงแรมเลยแต่มันจะสะดวกสบายยังไงร่างกายมันเจ็บมันก็ไม่มันก็ไม่สบายหรอกเพราะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต่อให้มีเครื่องบรรเทาเครื่องเครื่องอำนวยความสุขอะไรต่างๆมากมายมันก็ไม่มีความหมายอะไรใจก็ทุกข์ใจก็เครียดใจก็กังวลใจก็หวาดกลัวว่าจะตายหรือเปล่าจะหายหรือเปล่า ไปเสียเงินมากมายทาไมไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลก็เหมือนกันก็รักษาได้เหมือนกันอันนี้คือลักษณะสำหรับพระนี่เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็บางทีไม่ใช้ยาเลยเชื่อท่านใช้ธรรมโอสถท่านทำใจของท่านให้สงบทำใจของท่านไม่ให้เครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยสอนใจให้ปรงว่ารักษายัางไงในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดี ถ้าถึงเวลามันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปเถอะขอให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความตายดีกว่าด้วยการไม่ต้องใช้ยาใช้ธรรมะเอาสนสอนใจให้พิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ดีกว่าที่จะต้องมาคอยรักษาด้วยยด้วยยาด้วยวิธีการต่างๆเพราะธรรมะเสอนแล้วว่าพวกเราทุกคนมีโรคอยู่สามชนิดด้วยกันเหมือนกันทุกคน แต่ดมาแล้วนี่ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สามชนิดเหมือนกันชนิดแรกก็คือเมื่อมันเป็นแล้วมันก็หายเองได้รักษาหรือไม่รักษามันก็หายเองเช่นเวลาเป็นไข้หวัดบางทีปวดท้องหรือปวดอะไรเจ็บเท้าเจ็บอะไรบ้างบางทีไม่ต้องทําอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายของมันเองไปอันนี้โรคชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายอันนี้ เป็นก็ต้องหายามากินเพอเป็นหลายวันแล้วมันยังไม่หายก็แสดงว่ามันไม่หายเองเมื่อมันไม่หายเองก็ต้องไปหายามารักษามาเยียวยามาดูแลให้มันหายนี่คือชนิดที่สองส่วนชนิดที่สมโรคชนิดที่สามคือเมื่อเป็นแล้วจะรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายมันมีแต่จะตายอย่างเดียวอันนี้คือโรคชนิดสุดท้ายที่พวกเราทุกคนจะต้องเจอกัน จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนหรือรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลมันก็ตายเหมือนกันมันไม่หาย น, นี่คือโครคภัยไข้เจ็บที่พระได้รับการสั่งกา ร, รสอนของจากพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไม่ค่อยไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายให้มันมากจนทั้งทาให้เกิดปัญหาทางใจขึ้นมา ท่านต้องรักษาใจไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไปกับการรักษาของร่างกายถ้าอาการรักษาของร่างกายมันทาให้ร่างให้จิตใจเครียดท่านก็ยุติการรักษาดีกว่าเพราะว่าไม่มันไม่ได้กาไรมันขาดทุนเรารักษาไปยังไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีแต่ใจนี่จะทุกข์ไปกับการรักษาของร่างกายพระปฏิบัติจริงๆท่านึงมกัจกจะเน้น ใช้การรักษาใจเป็นหลักเวลาร่างกายเป็นอะไรท่านจะไม่รักษาร่างกายมากจนเกินผิดปกติมียาฉันได้ก็ฉันทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ท่านไม่หวังอะไรจากมันมากเกินไปท่านรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเข้าสู่ความตายอยู่ดีแต่ท่านจะรักษาใจของท่านด้วยธรรมโอสถใจของท่านนี้จะสงบถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บปวดรวดราว้วทั่วสพางกาย แต่ท่านได้ฝึกมาแล้วกับเรื่องของความเจ็บปวดของทางร่างกายจนใจของท่านปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวดของทางร่างกายได้ท่านก็เลยใช้ธรรมโอสถแทนถ้านี่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งโรงพยาบาลลองอ่านประวัติของครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไปสารณะที่พึ่งอันประเสริฐของเราคือพุทธทางสรนางกระฉามิ ท่านมีโรงพยาบาลเอกชนไปรักษาหรือเปล่าอนไม่มีหรอกท่านก็ใช้ธรรมโอสถท่านก็ใช้สติใช้ปัญญาคอยระ ง, งับใจไม่ให้ไปเครียดไม่ให้ไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายพอปล่อยร่างกายได้แล้วท่านก็สบายไม่ต้องไปเครียดไม่ไปต้องไม่ทุกข์กับมันเพราะพิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวท่านนั่นเองมันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่ง ที่ท่านเอามาใช้เป็นเครื่องมือพาไปทําอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ใจของท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วใจของท่านหลุดพ้นไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะเป็นจตาอย่างไรท่านจะไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องวิธีความมากน้อยสังโดษในเรื่องปัจจัยสี่ที่เอามาเปรียบเทียบให้ญาติโยมได้พิจารณากัน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลมากเกินไปญาติโยม ก, กังวลกันแล้วเกินต่อใบแกแล้วเจ็บแล้วไม่สบายแล้วจะทำยังไงต้องซื้อประกันหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่าอย่าไปกังวลกันมันเลยปลงดีกว่าปลงว่าอย่างมากก็แค่ตายสู้มาฝึกจิตให้มันอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้ดีกว่าถ้าอยู่กับความเจ็บปวดได้แล้วมันไม่มันไม่กังวลรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ ดีไม่ดีไม่อยากจะรักษาเพราะรักษามันยิ่งไปสร้างความเจ็บให้กับร่างกายเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวก็เจาะนุ่นเจาะนี่เดี๋ยวก็ฉีดนุ่นฉีดนี่ทําอะไรต่างๆกับร่างกายเลยดีไม่ดีตายเพราะการรักษาก็มีเนี่ยมีญาติโยมคนหนึ่งไม่สบายเป็นมะเร็งก็ไปรักษาไปคีโมฉายแสงไปผ่าตัดพอกลับจากโรงพยาบาลอยู่ได้แค่วันเดียวตายพอาะฤิ์ของยามัน แรงคนใครไม่สบายก็ผอมไม่มีกำลังวังชาแต่ก็รักษาไปตามสมมุตินิยมเขาให้รักษาแบบนี้ก็รักษาไปเพราะขาดปัญญามีบางท่านท่านไม่รักษากลับอยู่ได้อีกหลายปีเพราะว่าความตายจากโลคนี้มันยังใช้เวลาอีกนานอีกหลายปีก่อนจะตาย แต่พอไปรักษาด้วยวิธีการมันจะทำให้เร่งความตายให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราควรที่จะมาสนใจฝึ ก, กจิตใจของพวกเราให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายที่ถูกต้องจะดีกว่าแล้วใจของเรานี้จะปราศจากความทุกข์ปราศจากความเครียดที่เกิดขึ้นจาก ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่กังวลอยู่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอนาคตจะเป็นไงก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่พ้นความตายไปได้แต่เราจะอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างสบายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ต่ำนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของร่างกายที่พวกเราทุกคน จะต้องมีกันนี่จะมีในระดับไหนก็แล้วแต่สติปัญญาของแต่และท่านก็แล้วกันถ้ามีสติปัญญาน้อยก็ต้องใช้ของที่มีราคาแพงมากขึ้นถ้ามีสติปัญญามากก็จะใช้ของที่มีราคาถูกลงเพราะปัญญามันจะบอกว่ามันทําหน้าที่เหมือนกันไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองให้มากไปเปล่า ประโยชน์ได้ได้เท่ากันแต่เงินต้องเสียไปเสียต่างกันทำไมต้องเสียมากเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เท่ากันอันนี้ก็คือเรื่องหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องดูแลในส่วนของร่างกายเราต้องหาปัจจัยสีให้แก่ร่างกายเพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสีร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองแต่การจะหานี่หาแบบไหน หาแบบสบายใจหรือหาแบบวุ่นวายใจมีสองแบบด้วยกันทางศาสนาก็สอนบอกให้หาแบบแบบสบายใจดีกว่าเพราะว่าความสบายใจมันดีกว่าความวุ่นวายใจแล้วผลลัพธ์ก็เท่ากันทนั้งร่างกายหาดูแลเลี้ยงดูให้ดีขนาดไหนมันก็ไปจบที่ความความเจ็บความตายเหมือนกันนี่คือเรื่องของ การดูแลร่างกายของพวกเราทุกคนเราต้องดูแลด้วยปัจจัยสี่ร่างกายขาดไม่ได้เพียงแต่ว่าจะดูแลแบบไหนแค่นั้นเองแบบมีปัญญาหรือแบบไม่มีปัญญาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือจิตใจจิตใจของเราก็ต้องมีผู้สนับสนุนเหมือนกับร่างกายร่างกายมีปัจจัยสี่เป็นผู้สนับสนุนให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายฉันใด จิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่มาสนับสนุนเหมือนกันแต่ปัจจัยสี่ทางจิตใจนี้จะไม่เหมือนกับของทางร่างกายคือถ้าเราได้ปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ทางร่างกายแล้วนี้มันไม่ได้ส่งผลมาให้กับจิตใจจิตใจยังไม่มีปัจจัยสี่ทางของจิตใจเพราะปัจจัยสี่ของจิตใจกับปัจจัยสี่ของทางร่างกายนี้ไม่เหมือนกันเหมือน ถ้าเราคิดว่าเรามีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่สุขสบายแล้วเราจะคิดว่าจิตใจเราสุขสบายไปด้วยนี้เป็นความเข้าใจผิดนะร่างกายจะสบายแต่ใจของเรานี้จะทุกข์จะเครียดได้ทุกเวลานาทีเพราะมันขาดปัจจัยสี่นั่นเองแล้วเราก็ต้องมาศึกษาดูว่าปัจจัยสี่ของจิตใจมีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราอยู่สงบสุขเหมือนกับร่างกายปัจจัยสี่ของจิตใจก็เหมือนกัน อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่แบบนี้แต่อาหารของจิตใจที่อยู่อาศัยของจิตใจเครื่องนุ่งห่มของจิตใจยารักษาโรคของจิตใจนี้ไม่เหมือนกันกันกบของร่างกายอาหารของจิตใจคืออะไรอะไรทำให้จิตใจมีความอิ่มหายจากความหิวโหยความอยากต่าง ก็คือการทําบุญทําทานนี่อันนี้แหละเวลาเราทําบุญทําทานแล้วความหิวโหยอยากได้ของหรูหราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี้มันจะบรรเทาลงมันจะลดน้อยลงไปเพราะใจเกิดความอิ่มจากการทําบุญทําทานนี่นี่แหละคืออาหารของใจที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นหากันเหมือนกับเราหาอาหารให้กับร่างกาย ร่างกายนี้เราหากันอย่างเต็มที่วันละสามสี่ครั้งด้วยกันเชา้ากลางวันเย็นตอนค่ำก่อนนอนกินกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายจึงอ้วนกายเป็นตุ่มไปเพราะการที่เราหาอาหารให้กับร่างกายมากจนเกินไปกายเป็นโทษกายเป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายขึ้นมาทาให้มีโรคต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้น โลกความดันโลกเบาหวานโลกหัวใจโลกไขมันอุดตันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปให้กับร่างกายแต่อาหารทางใจนี้กลับไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับอาหารทางทางร่างกายทาบุญได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ใจอิ่มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่มีพิษไม่มีภัยต่อจิตใจการทาบุญนี้ ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งมีความอิ่มมากขึ้นความหิวความโหยกับเรื่องของสิ่งต่างๆมันจะหายไปหมดนี่คนบางคนนี่สามารถทําบุญได้เป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเขาทาแล้วเขาเกิดความอิ่มใจสุขใจแทนที่จะยำเงินร้อยล้านพันล้านไปเที่ยวไปซื้อของหรูหราซื้อของแพงๆซื้อรถคาร์ล้อยล้านมาซื้อมาทําไมรถมันก็เป็นรถเหมือนกันใช่ไหม รถคันหนึ่งราคาล้านหนึ่งกับร้อยล้านมันก็พาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนาวัดก็เอารถมาเอารถร้อยล้านมาหรือเอารถล้านหนึ่งมามันก็มาถึงวัดเหมือนกันต้องต้องไปเสียเงินเป็นร้อยล้านคนที่มีปัญญาเศรษฐีเขามีปัญญาเขาถึงไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างต่างเศรษฐีบางคนที่ใช้ของถูกถูก แต่เวลาทําบุญนี่ทําแบบมโหโฬาน ท, ทําทีเป็นร้อยล้านพันล้านก็มีแล้วพวกนี้มักจะไม่ประกาศตัวเราถึงมักเคยรู้เรื่องราวของเขากันว่าเขาทําบุญกันอย่างไรอันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าทําไมถึงมีคนกล้าทําบุญเป็นร้อยล้านพันล้านได้ก็เพราะว่ามันทําแล้วให้เขามีความอิ่มใจสุขใจทําให้เขาไม่หิวโหยกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญ กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาถึงกับว่าไม่ต้องการไม่ต้องไม่ต้องการประกาศให้คนรู้ด้วยซ้าไปเขาไม่ได้หิวโหวยกับแสงสีเสียงจากคนทั่วสารทิศให้เขามายกย่องสรรเสริญเยินยอว่าเป็นคนดีคนเสียสละเพราะสิ่งที่เขาได้จากการทำบุญนี้มันมากกว่าสิ่งที่เขาจะได้จากการจากผู้อื่นจากการสแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นเขาไม่ได้หิวโหวยกับความคิดเห็นของคนอื่น เขาสบายใจถึงแม้จะมีใครด่าใครว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจเขาไม่หิวใจเขาอิ่มอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลการทําบุญจึงเป็นสิ่งที่ควรจะทําสําหรับผู้ที่อยู่ในฐานะที่ทําได้คือถ้ามีเงินเหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็อย่าเอาไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ ซื้อของหรูหราซื้อแบรนด์เนมอะไรต่างๆอนนี้ถือว่าเป็นการเป็นเป็นโทษกับจิตใจเพราะทำให้ใจติดติดกับของแพงๆของหรูหราแล้วมันก็จะกดดันให้ไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างปัจจัยสี่ส่วนอื่นต่อไปได้ดังั้นปัจจัยแรกที่เราต้องสร้างกันก็นกคือบุญอาหารของใจ อ a บุญถ้าเรามีเงินทองเหลือจักเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาส่วนนี้ไปทําบุญกันทําแล้วจะให้เรามีความอิ่บใจทําให้เราไม่หิวกับแสงสีเสียงต่างๆไม่หิวกับความสรรเสริญเยินยอไม่หิวกับยศกับตําแหน่งไม่หิวกับเงินกับทองคนที่ทําบุญแล้วไม่โลภไม่อยากได้เงินได้ทองใครจะมาหลอกมาล่อให้ไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเป็น กี่เปอร์เซ็นต์นี้เขาเขาไม่สนใจหรอกเขารู้ว่าเป็นของโกหกทั้งนั้นแนหะแต่คนที่มีแต่ความโลภเนี่ยคนที่อยากจะเอาเงินมาเยอะๆเพื่อจะได้ไปซื้อของแบรนด์เนมนี่พอมีใครมาเสนอว่าโอ้ลงทุนไหมเนี่ยได้ร้อยละสามสิบต่อเดือนให้เข้าไปร้านหนึ่งเดือนแรกก็ได้กลับมาสามแสนโอ้ดีใจเกี้ยวจะได้ทุกเดือนที่ไหนได้พอเดือนที่สองเดือนที่สามไม่มีซะแล้ว หมดไปแล้ร้านหนึ่งได้กลับมาแค่สามสามแสนโง่หรือฉลาดเอาเงินล้านไปแลกเงินสามแสนเขาไม่ได้เอาปืนมาที่เราแท้ๆเนี่ยพวกนี้เป็นโจรแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ปืนพวกนี้น่ากลัวกับพวกโจรที่ใช้ปืนอย่างน้อยโจรที่ใช้ปืนมาจี้เรารู้ว่าเขาเป็นเขาเป็นโจรเขาจะเอาเงินจากเราไปจริงๆแต่พวกที่เอาของมาล่อความโลภของเราเนี่ยพวกนี้ร้ายกาจกว่าแล้วเราก็โง่ด้วยดันไปเชื่อเขา เอาไหมเอาเงินมาล้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้สามแสนคุณจะเอาไหมแต่มันไม่ได้พูดอย่างนั้นไงมันหลอกมันบอกว่าจะได้เดือนละสามแสนปีละสามล้านคิดดูทำทาล้านหนึ่งปีหนึ่งกาไรต้องสองล้านพอใครคิดอย่างนี้มันก็อยากจะได้ ท, ทันทีแล้วมีหนังตัวอย่างพอเดือนแรกก็ได้ละสามแสนพอเดือนที่สองนี่เริ่มมีปัญหาแล้วติดตรงนั้นติดตรงนี้แล้วยังมาไม่ได้ อันนี้แหละมันเป็นกลวิธีของคนฉลาดหลอกคนโง่ <c oughs> แต่คนที่ทำบุญแล้วจะอิ่มจะไม่หิวโหยกับเรื่องเงินทองเวลาใครมาเสนออะไรที่มันเป็นของไม่เป็นไปไม่ได้จะจะรู้ทันทีว่ากำลังจะถูกหลอกเพราะเขาไม่หิวโหยกับเงินทองเขามีแต่อยากจะให้เงินทองอยากจะทำบุญทาทานมากกว่าแล้วการทำบุญทาทานนี้ไม่ได้ทำให้เราหิวกับการทาบุญนะเข้าใจไหม ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำไม่ใช่เพราะไม่มีเงินต้องไปหาเงินมาทำบุญหรือไปยืมเงินคนนั้นคนนี้มาทำบุญอันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของคนทำบุญที่ถูกต้องคนที่หิวบุญนี่แสดงว่าไม่เข้าใจหลักของการทำบุญว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อก่อเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าทำเพื่อหวังผลตอบแทนทางด้านอื่นมันจะทาให้หิวบุญได้เช่นทาแล้วมีหน้ามีตาเป็นเจ้าภาพทอดกถินปีนี้อะไรอย่างนี้ เวลาทอดแล้วโอ้ยคนเขาอนุโมทนาอะไรชื่นชมยินดีสรรเสริญยกย่องดีไม่ดีก็อาจจะแต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงคุณนายขึ้นมาอย่างนี้ก็อยากจะทําเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความอิ่มใจสุขใจแต่ทําให้เกิดความหิวอยากจะได้ตําแหน่งอยากจะได้สรรเสริญยินยอเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะไปไปยืมเงินเข้ามาทําหรือไป ดีไม่ดีก็ไปหลอกล่อให้เข้ามาทาบุญกับตนก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องการําบุญที่ถูกต้องนี้เราทำเพื่อความอิ่มใจทำเพื่อความเสียสละทำเพื่อประโยชน์ของผู้รับไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเราไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจเวลาทาบุญทาเพื่อให ให้ผู้รับมีความสุขส่วนเรานี้มีความสุขจากการให้ผู้ที่เขารับแล้วมีความสุขพอเราเห็นว่าเขามีความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทํำของเราเราก็จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาฉะนั้นทําทตามกําลังของเราอย่าไปทําเกินกําลังของเราไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ต้องทําแต่ยังมีวิธีอื่นในการทําบุญได้อยู่เรายังมีร่างกายถ้าเรายังมีเวลาว่าง เราใช้ร่างกายเหล่านี้เป็นเครื่องทำบุญแทนก็ได้ไม่ต้องใช้เงินไปเป็นอาสาสมัครทำงานอะไรต่างๆให้กับ อ, องค์กรการการกุศลต่างๆก็ได้หรือว่าไปไปทำความสะอาดตามวัดตามวาก็ได้ไปวัดแล้วเห็นห้องน้ำมันสปกปรกไม่มีใครทำความสะอาดเราก็มาทำความสะอาดไม่ต้อง ไม่ต้องให้เขามาบอกไม่ต้องให้เขามาเชิญไม่ต้องไปขออนุญาตเราทำด้วยความเสียสละเพื่อความปราฏณาณ์ดีเพราะเราต้องการให้ห้องสุขาเป็นห้องสุขาจริงๆคือเข้าไปแล้วมันสุขไม่ใช่เข้าไปในห้องสุขาแล้วต้องเอาปิดจมูกอันนี้เป็นห้องทุกขาต้องให้มันเป็นห้องสุขาเข้าไปแล้วมีสุขทั้งใจสุขทั้งกายกายก็ได้บรรเทาความทุกข์ ใจก็มีความสุขจากการที่ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันคนเรามีฐานะต่างกันในร่างกายเงินการทำเราไม่มีเงินทำเราก็ใช้ร่างกายเราทำประโยชน์ได้เหมือนกันหรือบางท่านอย่างที่มาช่วยงานในขณะนี้งานที่เราทำกันอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ก็เพราะมีอาสาสมัครมีศรัทธาญาติโยมมาจัดที่มาเตรียมที่มาทาอะไรต่างๆนี่ก็มาด้วยความสมัครใจ มาด้วยความความยินดีเพราะทำเรารู้สึกเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแทนที่จะ เ, เวลาไปเที่ยวไปชอปปิ้งทำให้เสียเงินเสียทองหรือทำให้จิตใจนี้เกิดความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ก็มาทำงานแบบอาสาสมัครดีกว่าแล้วยังได้ประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังทาได้ความรู้ที่จะนำอาไปสั่งสอนจิตใจ ให้มีความน้อมเย็นเป็นสุขต่อไปได้ด้วยด้ว ย, วยอันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญชนิดต่างๆงั้นสรุปก็คือทุกคนทําบุญได้ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็ตามสามารถทําบุญได้บางคนก็เดินเก็บขยะไปตามข้างถนนก็ได้ไปที่ไหนเห็นมีขยะเกาเก็บเก็ บ, เ ก, บเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปใส่ใส่ถังขยะอันนี้ก็เป็นการทําบุญนะทำให้บ้านเมืองเราสวยงามดูสะอาดตาคนเห็นแล้วก็รู้สึกมีความสุขใจ ดีก็ปล่อยให้บ้านเมืองรกด้วยขยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนทิศทางไหนมีแต่ขยะทั้งนั้นทําไมเราไม่ช่วยกันทําความสะอาดเก็บกันมันเป็นบ้านของเราเป็นบ้านเมืองของเราแล้วมันทําให้ทุกคนมีความสุขเวลาที่เห็นบ้านเมืองที่สะอาดแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลได้ความอิ่มใจสุขใจได้กินอาหารได้ให้อาหารกับใจเรามองอย่างนี้แล้วเราจะเราจะกล้าทําเราจะชอบทําบุญชอบเสียสละ เพราะความจริงเราการเสียสละของเรานี้ไม่ได้เป็นการเสียสละที่แท้จริงเป็นการได้มากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าได้กอดเสียไปสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารใจบุญคืออาหารใจจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราสบายเก็บขยะเสร็จเหนื่อยก็นอนไม่คิดอยากจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มที่ไหนปลอดภัยทาให้ใจปลอดภัยจากอบายามุขต่าง พวกที่ไม่ทําบุญนี่จะเป็นพวกที่ดิ้นนนท์กอดแกงหาความสุขอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปหาความสุขจากอบายามุขต่างๆแล้วก็ไปติดอบายามุขแล้วก็ถูกอบายามุขผลักดันให้ไปทําบาปต่อไปอีกแต่คนที่ทําบุญแล้วจะปราชญ์อภัยต่างๆเหล่านี้จะไม่บังคับให้ใจนี้จะต้องไปเสพอบายามุขจะไม่บังคับให้ใจไปทําบาปทํากรรมแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่ พวกเราต้องทำถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีปัจจัยสีข้อแรกคืออาหารเราต้องทำบุญทำทานกันเสียสละแบ่งปันกันไปเราจะทำให้จิตใจเรามีความน่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งมีความอิ่มความพอระดับที่สองคือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มของใจอะไรคือเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลนี่เองเป็นเหมือนเสื้อผ้าอภารร์ สินี้ก็มีปกป้องภัยต่างๆที่จะมาทําลายจิตใจภัยที่จะมาทําลายจิตใจก็คือการกระทําบาปเพราะทําบาปแล้วจะทําให้ใจต้องไปใช้กรรมนายบายนั่นเองยังมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยลาวีมาคอยจองล่างจองผลถ้าเราไปทําบาปทํากรรมแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ศีลนี้ก็จะปกป้องภัยต่างๆเหมือนกับเสื้อผ้าที่จะปกป้องร่างกายจากพิษภัยต่างๆ แล้วสีนี่แหละเป็นตัวที่จะเสริมความสวยความงามของจิตใจเป็นความสวยงามที่แท้จริงคนเราจะสวยนี่ไม่ได้สวยที่ร่างกายต่อให้ใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมใช้เครื่องสําอางแบรนด์เนมก็ตามแต่แต่ถ้าใจร้ายใจโหดใจเหี้ยมนี่ยมันไม่สวยหรอกมันเป็นภาพดวงตาพอรู้เข้ารู้ถึงท่าแท้ของคนแล้วต่อให้ใช้แบรนด์เนมลีข้อไหนราคาแพงขนาดไหนก็ไม่ไม่สามารถดึงดูด ใจของผู้อื่นได้ถ้าเขารู้ถ้ารู้ของเราว่าเราเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนฆ่าได้ถ้าต้องฆ่ารักทรัพย์ได้ถ้าต้องรักทรัพย์ปภุดผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเดือมสุรายาเมวอันนี้แหละเป็นตัวบ่งชี้บอกถึงความสวยงามหรือไม่สวยงามของคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆของใช้แบรนด์เนมนี้ไม่ได้เป็นตัว กำหนดว่าคนนี้จะสวยคนนี้จะหล่อคนนี้จะดีคนนี้จะไม่ดีของที่จะกำหนดก็คือศีลธรรมศีลธรรมนี่แหละเป็นตัวที่จะบอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนสวยคนหล่อหรือไม่ถ้ามีศีลธรรมนี้ได้อยู่เขาเราปลอดภัยใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าคนนี้ยังไงก็ไม่ฆ่ายังไงก็ไม่ลักทรัพย์ยังไงก็ไม่ประพฤติผิดประเวณียังไงก็ไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มร้อายาม้ว ถ้ารู้อย่างนี้อยู่กับคนอย่างนี้แล้วสบายใจมีความสุขใจแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่มีศีลนี่ไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราได้เมื่อไหร่วันดีคืนดีถ้าเกิดเขาเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นมาเขาอาจจะทุบตีเราก็ได้เวลาพบกันใหม่ๆเราไม่ได้ดูที่จิตใจกันส่วนใหญ่เราดูที่ร่างกายรูปร่างหน้าตาแล้วก็ดูจิตใจที่ปลอมเวลาพบกันใหม่ๆเขาก็จะเอาส่วนปลอมมาหลอกเรา ทำเป็นคนใจกว้างทำเป็นคนใจดีเป็นคนใจเรียบร้อยน่ารักแต่พออยู่กันไปไม่นานเดี๋ยวธาตุแท้ก็ออกมาเองถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลเดี๋ยวความไม่มีศีลมันก็จะมาออกมาเองวาจามันก็จะเริ่มหยาบคายทันทีคําสุภาพก็จะหายไปหมดแต่ถ้าคนที่มีศีลแล้วจ ะ, จะอยู่ยังไงจะมีเหตุการณ์อย่างไรเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ เราก็ยังมีศีลอยู่เหมือนเดิมอันนี้แหละคือเสื้อผ้าพรที่แท้จริงของใจที่เราควรที่จะหามาใส่กันและอยากให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะการมีศีลนี้จะทำให้เราไม่ต้องเจอโทษภัยต่างๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปมีปัญหากับใครทั้งหลายถ้ามีศีลจิตใจเราจะปลอดภัยจากภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทา ที่ไม่ดีของเราอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอภรรยของใจที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรร่างกายต้องมีที่หลบแดดหลบฝนใจก็ต้องมีที่หลบความวุ่นวายใจต่างๆหลบหลบความเครียดต่างๆเวลาเกิดความวุ่นวายใจเกิดความเครียดเนื่องจากไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่มีที่หลบภยัยเราก็จะทรมานกับความเครียด ไม่ดีอาจจะซึมเศร้าอาจจะถึงกับฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าไม่มีที่หลบภัยที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิหรือความสงบนี่เวลาเราเกิดความครดถ้าเราเข้าสมาธิเป็นพอเข้าสมาธิปั๊บใจก็เย็นเลยเหมือนเวลาที่เราร่างกายเราอยู่นอกบ้านนี้อากาศร้อนพอเราเข้าไปในบ้านมีเครื่องปรับอากาศเราเข้าไปในบ้านมีเครื่องปรับอากาศความร้อนก็เข้าไปไม่ได้ แต่ห้องก็มีแต่ความเย็นสบายใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมีบ้านมหีห้องปรับอากาศห้องปรับอากาศห้องปรับความเครียดของใจก็คือสมาธินี่นี่ก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้เพราะว่าไม่มีคนอื่นเข้าทําให้เราได้การฝึกสมาธิการเข้าสมาธินี้เราต้องทําเองคนอื่นทําให้เราไม่ได้คนอื่นเพียงแต่สอนเราบอกวิธีให้เรา วิธีเข้าสมาธิก็ง่ายๆนะ ใ, ใช้คําบาลีคำพุทธโธพุทธโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเรืเ่อยเปื่อยฝึกสมาธิฝึกสติทั้งวันก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาก็จเจริญพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธทำอะไรก็พุทธโธพุทธโธอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดแล้วพอเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วพุทธโธต่อไปเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาความเครียดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราว นี่คือที่พึ่งอาศัยที่แก้ที่คอยปกป้องรักษาใจเป็นที่หลบหลบภัยของใจคือความทุกข์ความเครียดต่างๆแต่เป็นการหลบแบบชั่วคราวเท่านั้นเองยังไม่ได้หลบไปอย่างถาวร mm hmm. ความทุกข์ความเครียดนี้ก็ถือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บของใจถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรนี้เราก็ต้องใช้ยารักษาคือธรรมโอสถของใจอะไรคือธรรมโอสนของใจ ธรรมะโอษฐ์ของใจก็คือปัญญาที่เราจะต้องมาเรียนกันมาศึกษากันปัญญานี้ขั้นต้นก็ให้เรียนจากผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้แล้วว่าท่านสอนให้เราทําอะไรมีวิธีรักษาความเครียดให้รักษาอย่างไรเราก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแล้วพอเราไม่ลืมเวลาเกิดความเครียดเราก็จะสามารถใช้ปัญญา ประกบกับสมาธิที่เราได้จากการามีที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบความเครียดชั่วคราวมาช่วยกันถ้าเรามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเราจะสามารถกำจัดความเครียดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราได้อย่างถาวรปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้ ถ้าเราไปสั่งมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันมันไม่เป็นขึ้นมามันก็จะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปปล่อยวางปล่อยวางได้ใจก็จะไม่เครียดใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่เครียดกับความแก่ไม่เครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เครียดกับความตายเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดด้วย ได้ด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญานี่ปัญญาพร้อมกับการสนับสนุนของสมาธิที่เราได้จากการเจริญสติพุทธโธพุทธโธเมื่อเรามีสองอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ความเครียด ต, ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างทาวอใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไปกับร่างกายจนถึงวาระสุดท้ายของร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ยังมีความสุขต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสอนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรกับร่างกายและจิตใจหน้าที่ของพวกเราก็คือหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกาย และหาปัจจัยสี่ให้กับใจเมื่อเราหาได้ครบทั้งสองส่วนแล้วร่างกายและจิตใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ประยน์ถึงสาหรับร่างกายก็ถึงเวลาสุดท้ายสาหรับใจก็ไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดไปตลอดอนันตการนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาได้ยินได้ฟังและนำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคขลงเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏธิตังตุมหังคิดเะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตูสังกาปาจันโทปนะระโสยะถามณาีโชติ อารโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินสศตุมัเตภวัตตะวันตรายสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังวุธาปะจายีโนจตารูธรรมาวัฏฐานเอายุวันโอสุขัง พระราช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่อยังถ้าอยากจะถามอะไรตอนนี้ถามได้เลยจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจ ทาง Facebook ทาง YouTube ก็ได้าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติ413 YouTube พระสุชาติไลฟ์265 YouTube Dr.B Channel 130วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 28นาคุติ125รวม969ท่านค่ะ ถ้อยากจะถามก็ถามได้นะยกมือขึ้นเข้ามาที่นี่มีไมโครโฟนให้พูดถ yeah. ามคำถามจากทางบ้านก็ได้คุณพูนศรีเราควรจะเรียนรู้คำสอนที่สำคัญในการนำมาใช้ในชีวิตช่วงเวลาไหนดีที่สุดคะช่วงเรียนช่วงทำงานช่วงที่มีคู่ครองคะ่ะ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องค่ะเราก็ต้องมีช่วงของการเรียน เ, ยเราต้องจัดตารางเวลาให้ถูกต้องเอาเวลาช่วงหนึ่งมาใช้กับการเรียนหนังสือได้ยินได้ฟังรลรวันละชั่วโมงนี้ก็เหลือเฟือแล้วหรืออ่านหนังสือธรรมะที่มีคุณมีประโยชน์ที่ให้ความรู้กับเราหรือถ้าเราอยากจะรู้ความรู้ทางด้านไหนก็สามารถค้นหาได้ในเครื่องมือถือเราเานี้ ใส่เข้าไปเลยอยากจะรู้พระสูตรอะไรก็ใส่ชื่อพระสูตรเข้าไปแล้วก็จะได้เราต้องมีเวลาทําไมเรามีเวลาให้กับอย่างอื่นได้กับเวลาการเรียนรู้ทางธรรมะทาไมเรากลับไม่มีเวลานั่นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะถ้าเรารู้คุณค่าของธรรมะแล้วเราจะไม่อยากจะเรียนอะไรอยากจะเรียนแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถแห่งวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่สามารถปลดเบื้องความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้มีแต่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปลดเบื้องได้หมดคุณวิไล อยากทราบวิธีการทำบางสกุลสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าค่ะบางสกุลก็เป็นการทำบุญอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเขานิยมทำกับคนเกี่ยวกับเรื่องของคนตายเพราะประเพณีสมัยก่อนนี้พระจะไปหาผ้าในป่าชาสมัยก่อนยุคแรกๆนี้ไม่มีการถวายผ้าเหมือนสมัยนี้พระที่บวบวนี้ต้องไปหาผ้ามาซักม า, มาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวร แล้วผ้าที่เขาทิ้งก็คือผ้าห่อศพที่อยู่ในป่าชาพระก็เลยจะได้ไปพิจารณาความตายด้วยไปเห็นซากศพต่างๆเราจะเป็น เ, เครื่องเตือนสติเป็นมรณานุสติว่าร่างกายของเราทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องมีวันตายกันทีนี้มาถึงปัจจุบันเราก็เลยนิยมถวายผ้าผ้าหอ่อศพแต่เพียงแต่เราไม่มีศพจะหอ่อ เราเลยเอาห่อทุงพลาสติกแทนบาจริงผ้าบางสกุลนี้แปลว่าผ้าหอบบ่อศพแต่เดี๋ยวนี้เราไม่นิยมเอาผ้ามาห่อศพกันเราเอาศพเข้าตู้เย็นเลยแช่แข็งเลยจะได้ไม่บูดไม่เน่าจะได้ไม่น่าเกลียดไม่น่าดูแต่สมัยก่อนนี้พ้าจะไปเห็นซากศพชนิดต่างๆศพชิสิบชนิดศพตายใหม่ศพขึ้นอื่น มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาศพ บ, บวมช้ำเขียวดำอะไรศพที่มีแรงกากัดมีมีหนอนไสมีมดขึ้นอะไรต่างๆนี่้วก็ทั่งเหลือแต่ศพแห้งกรอบที่มีแต่โครงกระดูกนี่คือศพชนิดต่างๆที่ผ้าจะได้ไปเห็นเวลาที่ไปชักผ้าบางสกุลคือไปหาผ้ามาซักมาตับ มาใช้เป็นจีวรน่เองพระต้งไปเยี่ยมป่าชาแต่สมัยนี้เราไม่มีแบบนั้นแล้วเราก็เลยเอาแบบใกล้เคียงกันเช่นเวลาคนตายเราก็เอาผ้าไตาไปวางไว้ที่หน้าลงศพเราก็นิมนต์ผ้าไปชักผ้าบางสกลุลหรือถ้าเราอยากจะทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วเนื่องจากที่เนื่องในวันครบวันตายเราก็นินิมนต์ผ้ามาชักผ้าบางสกลุล ก็เท่านี้ก็เป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งเหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการถวายยารักษาโรคเหมือนกับการถวยายภาพพาะจีวรธรรมดาอะไรนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันได้บุญคืออาหารคือความอิ่มใจสุขใจแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็ไปซื้อผ้าบางสกุลมาทําบุญแทนแล้วก็จะได้บุญจากการทําบุญอันนี้ไปซื้อเสื้อผ้าบแบรนด์เนมมาไม่ไม่ได้บุญ ได้แต่ความหิวได้ความหิวอยากจะซื้อเพิ่มพอซื้อชุดนี้แล้วเดี๋ยวไปเห็นชุดใหม่ก็อยากจะซื้ออีกแต่ถ้าซื้อผ้าบางสกุลมาทาบุญแล้วเห็นชุดใหม่ก็เฉยๆไม่รู้สึกเดือดร้อนเขามีความอิ่มใจสุขใจคุณภูโยงฝึกสติในชีวิตประจำวันโดยการดูลมหายใจแต่ช่วงหลังเห็นลมหายใจและร่างกายเคลื่อนไหวเองโดยธรรมชาติ เหมือนดูเขาทำงานเหมือนดูเขาทำงานเองเวลาสัญญาสังขารทำงานจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรืออริยบทไม่ทราบเกิดจากอะไรคะก็จากการฝึนขัดนีพอทําแล้วมันก็เป็นมันเป็นนิสัยขึ้นมามันก็เป็นเหมือนอัตโนมัติเราก็จะคอยดูแต่ลมดูแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยเมื่อการเราไปดูอย่างอื่นดูคนนั้นดูคนนี้ดูของอันนั้นของอันนี้น ใจก็เลยลอยไปกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นตอนนี้เรามาเปลี่ยนวิธีดูใหม่แทนที่จะไปดูของดูเรื่องราวต่างๆเรามาดูลมมาดูร่างกายมันก็จะทําทให้เราลืมเรื่องเรื่องราวต่างๆไปทําให้ใจเราเย็นสบายไม่วุ่นวายที่เราวุ่นวายเพราะเราไปมองเรื่องราวต่างๆที่วุ่นวายพอเห็นเรื่องวุ่นวายเราก็วุ่นวายไปกับเขานั่นี่ยคุณวาริน คุณพ่อสวดมนต์หลายบทมากท่านอยากทราบว่าจะได้บุญระดับไหนเจ้าคะการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติเหมือนกับการดูลมดูร่างกายท่านที่จะดูลมดูร่างกายก็ดูบทสวดมนต์ไปก็จะทำให้ใจมีสติใจว่างใจเย็นใจสบายผู้รับฟังหน้ากุติ อยากทราบว่าเราควรวางใจและความคิดอย่างไรในเวลาที่ต้องทำตามจริตของคนอื่นๆที่เราต้องติดต่อทำงานด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่ยากที่สุดคือกับคุณพ่อคุณแม่เพราะส่วนตัวการประดิษฐ์ประดอยหรือเพิ่มเรื่องเพื่อให้คนที่เรารักด้วยอย่างคุณพ่อคุณแม่มันยากมากๆเพราะเราคิดว่าเป็นความไม่จริงใจและโกหกนะคะก็คิดว่าเราเป็นคนใช้เขาวันแล้วกันเราเป็นคนใช้เราต เรารับเงินเดือนจากเขาพ่อแม่จ่ายเงินเดือนล่วงหน้ามาแล้วเลยไม่ใช้เราเลยตอนนี้เขาจะเรียกเรามาใช้แล้วเราต้องจ่ายเราต้องรับใช้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเสียงเงินทองไปกี่แสนกี่ล้านกว่าที่เราจะโตเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เราต้องคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าเราคิดว่าเราเป็นแฉว์ถ้าเราก็ต้องยอมยอมเจ้านายเจ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ยอม ออนน้อมเคารพเจ้านายเพราะถ้าขัดขืนเดี๋ยวถูกไล่ออกคุณสวิตรีขอสอบถามเรื่องการรักษาศีลถ้าเราทำอาชีพเกษตรต้องมีการกำจัดแมลงที่มารบกวนพืชผลของเราทำให้เราต้องผิดศีลข้อหนึ่งเราจะสามารถทำอย่างไรไม่ให้ผิดศีลได้บ้างเจ้าคะก็เปลี่ยนอาชีพเลง่าย่าตายไปอาชีพที่มันทำให้เราผิดศีลเราก็อย่าไปทำเ ไปทอาชีพที่ไม่ผิดศีลไม่ตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้<ม>ขายยาก็ได้ mm. ขายเสื้อผ้าก็ได้ mm. ขายเครื่องสำอางก็ได้ mm. อาชีพอื่นมีต้องเยอะแยะทําไมต้องมาอาชีพนี้เราอยากจะรักษาศีลเราก็ต้องเลือ ก, อกาจะเอาอาชีพหรือจะเอาศีลถ้าอยากเอาศีลก็ต้องเปลี่ยนอาชีพถ้าอยาเอาอาชีพก็ต้องไม่รักษาศีลก็มีเท่านี้แหละความเป็นจริงของชีวิตจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ พลังบอกว่า you cannot have your cake and eat it too จ้าขนมเค้กด้วยแต่ไม่แล้วจะกินด้วยแล้วกินขนมเค้กมันก็หมดสิแล้วอยากให้ขนมเค้กอยู่ไปเรื่อยๆก็ต้องไม่กินจะได้มีขน ม, มเค้กได้ได้ดูอยู่เรื่อยๆจ้าต้งสองอย่างไม่ได้จ้าทั้งขนมเค้กไม่ให้มันหายไม่ให้มันหมดแล้วจะกินมันด้วยนี้มันเป็นไปไม่ได้เราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณนายน้องน้อย อยากทราบว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างจนไม่เป็นตัวเองและเป็นทุกข์จะได้บุญหรือได้บาปครับก็ที่ทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากจะฟังมากกว่าถ้าเราอยากจะฟังเรายินดีว่าเป็นการสั่งสอนของพ่อแม่เป็นความเมตตาของพ่อแม่เราก็จะมีความสุขดีใจที่มีคนห่วงใยรักเราคอยสอนคอยบอกอะไรเราที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากจะ รับคำสั่งคำสอนของพ่อแม่มากกว่าอย่าเราต้องคิดว่าพ่อแม่เราเ็าเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดนะตอนที่เราเป็นเด็กเราเ็าสอนให้เราทำอะไรทำาเราทำได้มีความสุขได้พ่อแม่บอกให้เดินให้ยืนให้พูดให้ทำอะไรทำหมดแต่พอตัวโตวขึ้นมาเริ่มมีอัตลาตัวตนขอ ง, องตัวเองนะที่เริ่มเก่งขึ้นแนละ้วเริ่มปากกล้าขาแข็งขึ้นมานะทีนี้ก็เลยไม่เชื่อฟังก็เลยเกิดความทุกข์ใจ เวลาที่ต้องฟังจากพ่อแม่เราต้องคิดว่าพ่อแม่นี้เขาไม่มีความปรารถนาร้ายกับเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ทำนี้ทำเพื่อให้เรามีความสุขให้เราปลอดภัยถ้าเรามองมุมนี้แล้วพ่อแม่จะพูดอย่างนี้เราจะยอมรับได้หมดอาจจะไม่ถูกก็ได้ถ้าไม่ถูกเราก็ฟังไม่เฉยเฉยไม่จาเป็นจะต้องไปเถียงไปค้านแต่ไม่ต้องจาเป็นต้องทาตามถ้าพ่อแม่บอกว่าเออมึงต้องไปมีเมีเรยรวยๆนะนี่ อันนี้มันก็้า จ, จะไม่ถูกก็ได้ถ้าเราหาเมียรวยๆไม่ได้เราก็มีแต่เมียจนๆก็อยู่กับเมียจนๆไปก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่คําสั่งอันไหนที่มันเป็นคําสั่งที่ดีแม่บอกมึงอย่า ก, กินเหล้านะอย่าเล่นการพนันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนํามาปฏิบัติเพราะมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นปลอดภัยขึ้นแน่นอนต้องใช้ปัญญาในการสั่งด้วยนะถึงแม้ท่านอาจจะมีความปรารถนาดี แต่ปัญญาของท่านอาจจะไม่มากพออาจจะสอนแบบในทางผิดๆก็ได้ mm hmm. ก็ไม่ต้องเชื่อฟังถ้ามันเป็นในทางที่ผิดไปแต่ไม่ต้องไปท้าไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปว่า mm hmm. เราต้องเข้าใจว่าท่านมีความปรารถนาดีแต่ปัญญาของท่านอาจจะยังไม่มีมากพอ mm hmm. ก็น้อมรับมาฟังไว้ยกพ่อแม่เหนือเสียนก้าวตลอดเวลาเราเป็นลูกนี่เราต้องทำตัวเราให้ต่ากว่าพ่อแม่ คุณมิกซ์คาเลอร์การนั่งสมาธิมีผลในการสร้างเซลล์สมองใหม่หรือซ่อมแซมเซลล์สมองประสาทที่เสียหายไหมครับอย่างเช่นศีรษะเคยกระทบกระเทือนหรือเคยใช้สารเสพติดมาก่อนครับ อ, อ๋อผลโดยตรงอาจจะไม่มีผลข้างเคียงอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้การนั่งสมาธินี้ไม่ได้ไปกังวลเกี่ยวเรื่องของร่างกาย กัวลกับเรื่องของจิตใจโดยตรงมากกว่าแต่ถ้าอาจจะมีผลกระทบข้างเคียงบ้างก็อาจจะเป็นไปได้บางทีสมองอาจจะถูกความเครียดของจิตใจกดดันทําให้มันทํางานไม่ปกติพอจิตใจหายเครียดสมองก็กลับมาทํางานเป็นปกติได้อย่างนี้ก็มีเขามีโรคที่เรียกว่า psycho somatic เนีโรคที่เกิดจากจิตเป็นตัวไปทําให้เกิดขึ้นคือความเครียดต่างๆเนหมอหมอในยุคปัจจุบันนี้สอนให้คนไข้ ไม่ให้เครียดกันเพราะเครียดแล้วอะไรขึ้นอ่ะความดันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเป็นโรคที่จิตใจไปกระทบต่อการทํางานของร่างกายพอจิตใจไม่เครียดครับร่างกายก็เลยไม่มีอะไรมากระทบจิตใจก็สามารถทํางานตามปกติอันร่างกายก็สามารถทํางานตามปกติได้ดังนั้นก็อยู่ที่บางอย่างบางเรื่องอาจจะมีผลขั้นเคียงไปกระทบกับร่างกายได้ ทำให้ดีหรือทําให้ไม่ดีได้แต่จะทุกอย่างทุกเรื่องหรือม่นีไ้ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่ชํานาญทางทางร่างกายต้องไปถามหมอดูคุณทิติชยา <c oughs> การใช้ธรรมโอสถสําหรับคารวา ต, ต้องปฏิบัติทำอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกันคารวาตหรือผ้าก็ใช้ยาแบบเดียวกันคือสติและปัญญาสติทําใจให้สงบแบบชั่วคราว ความเครียดใจก็จะหายไปเชื่อค่าวแล้วถ้าใช้ปัญญาต่อได้ก็จะทำให้ความเครียดหายไปอย่างถาวรคุณสุคนธาการหาปัจจัยสี่ทางร่างกายเราจะเห็นผลเร็วต่างจากการหาปัจจัยสี่ในทางจิตใจเราจะเห็นผลช้าเราจะมีอุบายให้เราเห็นผลทางจิตใจได้เร็วอย่างไรบ้างคะจร ง, ง, ล, องลองทำบุญตอนนี้สิบริ จ, จากเอนเงินมาเลย เราจะรู้สึกจิตใจมีความสุขความอิ่มทันทีขึ้นมาทันทีเวลาใครเข้ามาล่าให้เราไปทํำบาปเราไม่ทำเนียโอยเราสบายใจมีความสุขใจเวลาไปเห็นคนที่เราชอบแต่เขาเป็นเมียเป็นสามีของคนอื่นแล้วเราให้ไม่ยุ่งดีกว่าพอไม่ยุ่งปั๊บใจก็สบายขึ้นเห็นผลทันทีให้ดูที่ใจอย่าไปดูที่อื่นเรื่องของใจก็ต้องดูที่ใจคุณวิไล ซื้อสลากกินแบ่งผิดศีลไหมคะจะเอาเงินที่ถูกรางวัลมาทาบุญได้บุญไหมเจ้าคะได้บเป็นเงินที่บอร์สุดเนี่ยสลากก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่เราซื้อขึ้นมาแล้วก็มีผลตอบแทนบางทีก็ศู์บางทีก็มีผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการซื้อสินค้าแต่มีการเสี่ยงแล้วก็ถ้าถ้าไม่อยากจะเสี่ยงก็อย่าไปซื้อสลากทนเอง ก็อาจจะได้ศูนย์กลับมาบ่อยๆก็เจ๊งไม่ถูกเลยก็อย่าไปเล่นแต่ถ้าเราเป็นคนมีบุญเก่าซื้อที่ไรถูกทุกทีได้กำไรก็ซื้อไปไม่ไม่เสียหายตรงไหนคุณสครัมเราอยากคาดการสิ่งต่างๆล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมแต่บางสิ่งคาดเดาไม่ได้ทำให้ไม่สบายใจเราจะเลิกคาดเดาอนาคตได้อย่างไรเจ้าค้าเพื่อทาให้ใจสบายคะ ก็คาดเราที <their> dinheiro, ่มันแน่นอนซิสิ่งที่แน่นอนเราไม่คาดเดากันแก่แน่ๆเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆตายแน่ๆเนี่ยของมันแน่นอนกว่าเตรียมตัวรับกับของพวกนี้ดีกว่าของที่แน่นอนกว่าถ้าเรารับกับความแก่ได้รับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับกับความตายได้ไอ้เรื่องอย่างอื่นนี่เป็นเรื่องชิปจอยไปหมดเรื่องแฟนจะทิ้งเรื่องจะยากจนจะไม่มีข้าวกินนี่มันเป็นเรื่องชิปจ้อยไปหมดถ้าเรายอมรับความตายรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ งั้นม า, มาแก้ปัญหาตัวหนักหนักดีกว่าถ้ารับปัญหาตัวหนักหนัได้ปัญหาจิ๊บจอยนี่ไม่มีปัญหาใครจะดา่าใครจะชมก็รับได้ใครจะเกลียดใครจะรักก็รับได้ใครจะอยู่กับเราหรือใครจะทิ้งเราเราก็รับได้ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเรารับความแก่ความเจ็บความตายได้คุณไม ม, มมามีผีมีความหมายอย่างไรหรือคะผีเป็นส่วนที่อยู่ในทุกติภูมิหรือเป็นส่วนของจิตใจที่ใช้เชื่อมกับสังขารคะ ก็ผีม like ีอยู่สองอย่างผีจร yeah. hmm. ิงก็คือจิตใจที่เวลาร่างกายตายไปแล้วก็อยู่เป็นโสดเวลาอยู่กับร่างกายก็เป็นเหมือนเป็นสามีภรรยากันล่างกายก็เป็นเหมือนภรรยาและสามีของจิตใจพอร่างกายตายไปก็เหมือนเป็นโสดขึ้นมาจิตใจก็เป็นโสดจิตใจที่เป็นโสดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นวิญญาณไปเป็นเรียกว่าเป็นผีไปเป็นวิญญาณไปนะอันนี้เรียกว่าผีจริงผีจริงไม่หลอก แต่มีอีกชนิดหนึ่งที่หลอกเราคือผีผีหลอกผีจริงไม่หลอกแต่ผีไม่จริงเป็นผีหลอกก็คือใจเราคิดขึ้นมาเองเราไปนั่งอยู่ที่ในป่าช้าสิเดี๋ยวจะเห็นผีมาเต็มไปหมดเลยหมือเวลามีงานศพไปงานศพปั๊บนี่เห็นศพเต็มไปหมดเลยอันนี้ผีหลอกผีที่ใจคิดขึ้นมาเองผีหลอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงให้คิดอย่างนี้ คุณวอนเดอร์วูแมนเด็กวัยรุ่นเขาคบเพื่อนแล้วโกรธกันเราเลยบอกน้องเขาว่าเด็กคนนั้นขาดคนอบรมคุณธรรมอภัยให้เขาเถอะเขาคงไม่สบายใจในช่วงนี้ให้เจาะใจเขาแนะนำเขาเมตตาเขาอย่างนี้เราทำถูกไหมคะพระอาจารย์ก็ถูกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าคนเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายให้เรามองภาพ ภาพจริงดีกว่าภาพจริงก็คือเราถือว่าเขาเป็นเพื่อนเราเราต้องเข้าใจเขาและให้อภัยเขาให้ได้ถ้าเรายังถ้าเราลักเขาจริงๆเราอยากจะให้เขาเป็นเพื่อนเราจริงๆเราต้องยอมรับส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีให้ได้เท่าๆกันเราก็จะอยู่กับเขาได้งานเพราะเขาไม่ดีก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาก็หายเขาดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาก็ไม่หายเดี๋ยวเขาก็หายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แต่ถ้าคิดว่าเขามีส่วนร้ายมากกว่าเ่วนดีก็อย่าไปคบดีกว่าทางนี้ เลือกคบคนพระเจ้าบอกให้เลือกคบคนเลือกคบคนดีคนไม่ดีก็พยายามเด็ดเลี่ยงอย่าไปคบคุณพี่พรความฝันเกิดจากการที่เราไม่มีสติอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะไม่ได้เกิดจากบุพนิมิตใช่ไหมคะความฝันก็เกิดจากความคิดของเราถ้าสติน้อยก็จะคิดมากจะฝันมากถ้าสติมากก็จะคิดน้อยจะฝันน้อยฝันดีก็เพราะไปทําบุญมาเอาเรื่องที่ดีมาฝัน ฝันร้ายก็พ่อไปทำบาปมาเอาเรื่องที่ไปทำบาปมาฝันคุณนายน้องน้อยถ้ามีคนมาขอยืมเงินเราไปเป็นค่าสินไหมที่ไปทำลูกสาวคนอื่นท้องแต่ทราบภายหลังว่าเขาจะเอาไปทำแท้งถือว่าบาปไหมคะคือในกรณีนี้ยืมเงินนี้ไม่ว่าจะยืมเงินเรื่องอะไรเป็นขอให้คิดว่าเขาเป็นโจรก็แล้วกันเขามาป้นเงินของเรานะางนั้นก็อย่าให้เขาไปก็จบ ถือหลักอย่างนี้ถ้าอยากจะคบกันเป็นเพื่อนกันก็คือหนึ่งอย่าขอเงินอย่าขอยืมเงินเพราะถ้าเริ่มขอเงินเมื่อไหร่ขอยืมเงินเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มไม่เป็นมิตรกันละถ้ามิตรแท้เราจะไม่ขอเงินจะไม่ยืมเงินแต่จะบอกจะเล่าเรื่องปัญหาให้ฟังได้บอกอตอนนี้แย่กเหลือเกินเงินทองขาดมือถ้าเราเมตตาเขาจะให้เขาก็ให้ไปอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการป้นกันไม่เป็นการจี้กันแต่ถ้าอยู่ดีๆให้ขอยืมเงินหน่อยว่า นี่ถ้าไม่ให้มันมันจะโกรธเรามันถือว่ามันไม่ได้เป็นมิตรกับเรามันคบเราเพราะมันจะหวังเอาเงินจากเราแต่นี้ก็อย่าไปคบดีกว่าถือหลักนี้แล้วเราจะไม่มีปัญหาไม่ถูกเ้าหลอกเดยกเขาจะมาหลอกมาเล่าเอาไว้เข า, ามีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้ขอยืมเงินไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไปแล้วก็หายต่อไปไม่ไอ้ที่จะกลับมาคืนนี่แทบจะไม่มีน้อยมาก แกบอกถ้าอยากจะยืมเงินก็ไปที่ธนาคารสิเขาเปิเปดบริการอยู่ทุกวันเราไม่ใช่ธนาคารอ่านี่บอกอบายให้ญาติโยมต่อไปใครมาขอยืมเงินจะได้มีคําตอบให้เขาฟังแล้วรู้รู้ในใจลึกๆว่าเขาไม่เลยเป็นมิตรเราแล้วนะถ้าเขาเป็นมิตรแท้เขาจะไม่มาขอเงินเราไม่ขอยืมเงินจากเรา คนอนี้คนจะได้ไป ม, มาขอเราเพราะไม่ได้แน่ๆเอาจริงๆมีใครมาขอแล้วปฏิเสธไปแต่เราทําบุญเราสงเคราะห์ อ, อยู่เรื่อยๆสงเคราะห์คนที่ก็เหลือดร้อนจริงๆแต่คนที่อยู่ดีๆมาแ บ, บมือขอเงินขอทงาาข อ, องนี่เรามักจะไม่ให้เขาเพราะไปรู้ค้าวให้แล้วมันไม่พอเข้าใจไหมไอ้ครั้งนี้แล้วมีครั้งที่สองครั้ ง, งที่สองมีครั้งที่สามมันก็ต้องหยุดหยุดอยู่ยดีก็หยุดเป็นตั้นแต่ครั้งแรกเลยไม่ดีกว่า ได้หมดเรื่องหมดเราไปหมดแล้วยังโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ้าว ม, ม, มีเหรอไม่มีมมอ่าวอ้าวไม่ไปไม่ไปอาจารย์คะเรียนเรียนขอคำชี้แนะนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าโยมทำงานอยู่แล้วก็ปฏิบัติถือศีลพยายามจะรักษาศีลให้ครบแล้วก็ทำทาน ทีนพอคำมาถึงคําว่าภาวนาค่ะผูา้จารย์ในทางปฏิบัติจริงๆมีความสับสนตลอดว่าคําว่าภาวนาในในในวิธีวิถีชีวิตของคนที่ทํางานปัจจุบันนะคะนอกจากดูเรื่องของจิตที่ที่เราทําอยู่ทุกขณะจิตเหมือนกับเราเราทำงานเราก็ต้องมีกําลังของจิตที่ที่เป็นสัมมาใช่ไหมคะผู้จาร์แต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าเราทําอยู่อย่างเงี้ยย่ําไปย่ํา ม, มา อยู่ตลอดเวลาหรือเราทําแบบจับฉไฉใช่ค่ะแล<ร><ช>้เป็นมวยวัดหรือไม่ได้มีไม่มีเป็นศึกษาขั้นตอนของการโชคว่าเขามีการโชคช่างไรใช่ค่ะการภาวนานก็มีขั้นมีตอน<ช>ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3านั่นนะคะก็เลยว่าในขั้นที่หนึ่งก็ที่สองเนี่ยให้ใช้สติก่อนฝึกสติไปก่อนทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ใจจดจออยู่กับงานที่เราทําเพื่อให้ลอยแต่คิดเรื่องนั้นเร่องนี้ ถ้ทําได้แล้วก็นั่งสมาธิเป็นขั้นที่สองนั่งหลับตาดูเลมหายใจเข้าออกใจก็จะสงบมีความสุขพอเราเข้าสมาธิได้แล้วขั้นที่สามเวลาออกจากสมาธิก็ดูใจได้แลทีนี้ดูว่ามันคิดไปทางไหนคิดไปทางดีหรือทางชั่วทางชั่วเราก็ตัดมันแล้หยุดมันได้เพราะเรามีกําลังที่จะหยุดมันได้ค่ะต้องทำเป็นขั้นตอนอนะครับต้องขั้นแรกก่อนสติฝึกสติไปก่อนค่ะเดี๋ยเรื่องดูจิตไว้ไว้ดูตอนนี้ไม่มีประโยชน์เลย ดูก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ไปไม่ได้มันเร็วกว่าเรามันไวกว่าเรามันเก่งกว่าเรามันแข็งกว่าเราใช่ค่ะทีนี้คําว่าพระอาจารย์บอกว่ามันเหมือนสเปซสปากันค่ะก็ใช่ไม่ทําตามขั้นตอนอย่างขั้นแรกนี้ทํำสติก่อนต่อไปนี้พยายามพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาหรือคอยดูการกระทํางานของเราว่าเรากำลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอให้อยู่กับงานอย่างเดียวอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํากินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวอย่าไปคิดเรื่องอื่น ทำอย่าง น, นี้ให้ได้ก่อนถ้าทําได้แล้วไปนั่งสมาธิเราก็จะหยุดใจได้ให้ทําใจให้เน่งเป็นสมาธิได้พอเรามีกําลังหยุดใจได้ขั้นต่อไปแล้วที่แล้วก็มาดูใจได้ว่มามันกําลังคิดโกรธคิดโลภคิดหลงเราก็หยุดมันได้ต้องเป็นขัน้นเป็นตอนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้ ะ, ะรูอ้อยากจะถามวันเดี๋ยวส่งกลับไป คือจริงๆก็มีออสองคำถามแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะตอบแล้วค่ะก็คือตอนแรกคิดว่าทํำยังไงไม่ให้ใจฟุ้งซ่านโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ต่างบ้านคนเดียวอะไรอ่ะค่ะก็ก็น่าจะ อ, อตอต้อง<ค>ใช้บริกรรมไปดรื้ว ย, วยมันคิดได้แล้วก็ลองบริกรรมได้บริกรรมก็เป็นทางคิดอีกอย่างค่ะก็คือคุยแบบปั๊บทุกคนเดียวหรอคะ่รือบริกรรมคือไงนะคะอยู่คนเดียวก็พูดโทรพูดโทรไปหยุดความคิด แล้วก็นั่งสมาธิต่อมันก็จิตจะเรื่งสงบแล้วปัญหาต่างๆก็หมดไปชั่วคราวง่ายๆทำยากเพไม่ยอมทำเงินพุทโธคําเดียวมันจะยากตรงไหนพูดมันได้ไปยกภูเขาแบบภูเขาแล้วหน่อยง่ายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านเนี่ยวัยรุ่นหนีไปดูอ่านั่นแหละยิ่งดูยิ่งเครียดอยิ่งฟุ้งเนี่ย <Jeju. S 1> แล้วก็มีอสองคำถามค่ะก็คือจริงๆก็ก็คิดๆ่ดานานแล้ว ว, ล ว, ว่าชีวิตคืออะไรเพราะว่าเราเหมือนเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะตอนากที่หนูหนูแค่คิดว่าแล้วจริงๆชีวิตคืออะไรก็เกิดการเกิดแก่เจ็บตายไงนี่คือความจริงแท้จริงของชีวิตเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายระหว่างทางก็เล่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไป แล้ว เ, เดี๋ยวพอตายก็จบไปเหมือนเหมือนมาดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะโลกนี้เหมือนโรงละคร <c oughs> เ, เล่นเองเ ป, เป็นตัวเล่นด้วยดูด้วยแล้วพอเข้าโรงหนังจบ ก, ออก็ก็ออกจากโรงไปไม่ได้อะไรติดตัวไปได้จากความอยากอยากจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อยากมาดูอีกรอบก็กลับมาเกิดใหม่ <c oughs> แต่ถ้ามาเจอธรรมะพระเจ้าบอกว่าหยุดหยุดเล่นละครนั่ทีหยุดความโลภความโกรธความหลง <c oughs> มันอยู่เฉยๆหันอยู่เฉยๆให้ได้ แล้วต่อไปก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดง่ายๆมีแค่นี้หแหละเราไปทำดูส่วนอคำถามหนึ่งคือหนูติดใจเมื่อเช้าค่ะตอนที่ฝากบ่าวแล้วก็ค่ะสงสัยว่าพระอาจารย์พูดภาษาเยอมันได้หรือว่าหนูฟังเพี้ยนไปดังก็เชน่นอฟฟิเเซ พูดจนทักก็พอดีเจอฝรั่งกขาถานเขก็พูดยังไงเขาก็สอนเราเคยไปเคยไปเที่ยวเยอะมันมาด้วยสมัยที่ยังไม่บวชไปเที่ยวตอนนั้นไปเป็นพวกพวกแบ็กแพคไปเที่ยวยุโรปเดือนกว่าก็ไปหลายประเทศ รายเรียนรู้ภาษาไปเรือ่อยๆแต่ได้คําสองคํานั่นน่ะไม่ได้อะไ ร, ะไร <c oughs> แต่เราแค่สงสัยว่ารูได้ไงว่าเป็นประเทศเยอรมันอย่างนีอ้อะก็พ่อหนูบอกไงมีเพื่อนเขาบอกว่ามาจากเยอรมน <c oughs> อัน <c oughs> อนที่สายบาร์ด้วยกันเขาบอกนี่มีเอาเพื่อนมาจากเยอรมันมาจ า, ายบาร อโอเคนะ ม, มีอะไรลึกซึ้งหรอไม่มีลึกลับตรงไห น, นนะ <Okay. S 1> แล้วไม่มียานอย่างทราบกันเลยนะไม่ต้องกลัวอ่านใจญาญ โ, โยไม่ได้ขอบคุณค่ะโอเคแล้วจะกลับโยะมานันเมื่อไหร่2ีกปันยาโอเคสาทธุติดตามทางเฟซบุ๊กได้มีถ่ายทอดสดทั้งไทยทั้งอังกฤษคืนเันอังคารภาษาอังกฤษคืนเวรพูดภาษภาไทย ซูมสองทุ่มเมืองไทยเวลาสองทุ่ ม, ม พ, ออพอเพอหรือยังพอแล้วนะวันนี้ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ